พระอนุบัญญัติอันนึ่งภิกษุใดรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัะทหารอยู่แล้วเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพระทหารหรือหลังเวลาฉันพระทหารนอกสมัยต้องอาบาัตปิจิตตีสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่ถวายจีวร น, นี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้